เรามาร่วมกันเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมมาฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกถ้าอยากพูดว่าประสูติการประสูติเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นมานานแล้วจากอยากพูดว่าอุบัติขึ้นเจว่าโอปะปาติกะเกิดอุบัติขึ้นเรียกว่าอุบัติเทพเป็นเทพที่สูงสุดส ม, มุติเทพก็เป็นเทพที่สมมติบัญจัิบริสุทธิเทพ เป็นความบริสุดธิเช่นการอุบัติขึ้นของพระเจ้าว่องโดยพระธรรมคําสอนเป็นไปเพื่ออนุศาสนีพภูร่าตรงสังสอนเรื่องกายทางจิตของคนไม่ใช่เรื่องพิธีลีตองออกไปจากกายจากใจเลยเราจะมารวมกันมาดูพภูร่าอนุศาสนีคือมาเห็นกายเห็นลูกมันเป็นยังไงพิสูจน์ดูหรือว่าศาสตร์เหมือนเราเป็นนักพิาศาสตร์ ได้พิสูจน์อะไรต่างๆในพยาบาลศาสตร์แพทย์ศาสตร์อะไรต่างๆที่เป็นการจบมาประสงค์องคเจ้าญาติโยมที่จบมาจากศาสตร์ต่างๆแล้วก็ใช้ได้จริงๆเป็นศาสตร์ที่ใช้ได้แล้วก็อาศัายศาสตร์เหล่านี้เพราเราก็อยู่ร่วมกันพระตาเพศชาติสังคมสุขภาพร่างกายมาได้ดีหลงตาเคยเจ็บแพทยได้ป่วยอย่างหนักแสนสาหัสคอยเสาะศาสตร์การแพทย์ มาช่วยรักษาก็าหายมาได้ยังไม่ตายผู้ที่มีวิชาความรู้จังสรา ท, ที่เล่าเรียนมาก็ใช้ได้เพื่อว่าความผาสุก ข, ของพวกเราอยู่ร่วมกันที่จะแสดงออกในวิชาการที่เรียนมาหลงตาเคยไปนอนอยู่เตียงนอนโรงพยาบาลจุฬาที่หายใจไม่ได้หมอกาพลซึ่งเป็นพพดดแพทย์ผู้ดูแลใกล้คิดเละนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันมาเย็นเข้าแถว ข้างเตียงแปกว่าผมจบแพทย์ศาสตร์ที่นี่เป็นแพทย์ที่ชนานาญในการผ่าตัดผมรุ่นเดียวกันเพื่อนที่ยืนอยู่นี่สี่ห้าคนจบรุ่นเดียวกันพวกผมเตรียมพร้อมที่จะช่วยหลวงพ่ออย่างเต็มที่ถ้าหายใจไม่ได้ก็จะผ่าตัดเจาะห้อยหายใจออกทางที่ไหนก็ไม่รู้นะในศาสตร์ของเขาใช้ได้แต่พอหายใจไม่ได้จริงจรก็มีหลายแพทย์ที่มีศาสตร์จบมา บอกว่าถ้าหายใจไม่ออกผมจะเอาเตียนนี่ไปพรมไหว้หน้าให้หลวง<ม>พ่อหายใจถ้าหายใจไม่ได้ผมก็จะเอาท่อเนี่สอดเข้าไปในปาดพ่พอเขาพูดจากนั้นก็หายใจไม่เลยเยียบไปเลยศาสตร์ที่มบรรลุผลตาช่วยเราที่ไม่มีทางรอดได้หายใจไม่ได้แล้วก็เกนมาได้ศาสตรแห่งอุปติเทพหรือบริสุทธิเทพเกิดจาก การศึกษาธรรมะจากศีทัต t h ได้เกิดขึ้นแล้วในวันที่19ที่ผ่านมายังมีไออุ่นอยู่พวกเราก็มาฉลองกันนะให้มาพิสูจน์มาศึกษาศาสตร์นี้อย่าได้ปล่อยละเลยเลยขอให้เป็นวันที่เราฉลองกันใหญ่ยิงย่งใหญ่แสดงออกโดยเฉพาะกลุ่มพ่อสงฆ์ที่ได้รวมกันมาทุกปีนานมาแล้วเราก็เรียกพวกเราว่าสาขา ลูกศิษย์หลวงพ่อเถียนอยู่ทั่วประเทศมารวมกันในวันหลังกั น, นตัดสลูกมารวมพลังกันสี่สิบันหลังจากที่พวกเราได้ออกเผยแพร่ทำทั่วทั่วไปตามทินที่ต่างๆ ต, ตั้งแต่เดือนธันวาพิกกิกาธันวามาเข้ามาจบลงวันสองวันนี้เราทำวิสาขะที่วัดของตนของตนเขามารวมกันที่นี่เพื่อเฉลิมในจิตการอันนี้ประกาศ ออกไปพลังแห่งธรรมแล้วเราก็รับผิดชอบรูพร้อมที่จะใช้ศาสตร์นี้ไปช่วยมนุษย์ทั้งหลายจะมารวมกันวีนี้บปใชยที่นี้อัดป่าสุโกโตแต่ว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็อยู่กันไป อ, อย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยพุสูตรต้องร้อยโน่นง น, นไว้พุ่มเจ้าชี้มือไปโน่นเลือนล้าง โน้นลองฟงังพวกเธอทั้งหลายจงทำความเปลี่ยนเพื่อเผาชิเลตไม่มีนั่นกติมีหน้ามีไปไหมนั่นวิหารนั่นไม่มีเลยขี่ไปตรงที่ลูกมู ล, ละเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติรวมยา ก, กววารวากฝึกขัดให้เราเข้มแข็งได้ อ, อย่าท้อถอยฝึกฝนตนเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราก็มีพระสูุอย่างท่าทายต่อพวกเราอยู่แล้ว ไม่ใช่เราดุ้นเล่าเต้าดุด้นไปให้รู้อะไรไม่ใช่ชัดเจนเหลือเกินพระอบราณภาษาเสน่หี้ไปที่กายที่ใจเราเดีมาดูสิมามีสติมาดูไม่ใช่มาสร้างนะถ้าพูดภาษาปรมาทัศนแล้วสติไม่ใช่มาสร้างมาใช่เลยมันมีอยู่แล้วความรู้เราไม่ใช่สักทีมันก็ไม่ค่อยมากไม่ค่อยงอกงาม แล้วก็เข้าเสนิมหรือมืดบอดเหมือนกับเราใช้อะไรต่างๆสิ่งของที่ใช้ได้เราไม่ใช่เจ็บไว้มันก็ใช้ไม่ได้สําหรับเราเพราะไม่เคยใช้เหมือนเราใช้อะไรที่เป็นศิลปะวิชาชีพของเราเราใช้มันมันก็ชํานาญขึ้นมาข้องแค่วว่าอะไรช่างก่อร่างสร้างบ้านถ้าเราใช้เลื่อยใช้มีดใช้สิวใช้กบ มันก็ชํานาญเป็นฝีมือปาเนียดได้ถ้าใช่ใหม่ๆก็ทำไม่เป็นการมีสติการใช้สติเนี่ยมันชำนิชำนาญจนเกิดศิละปะเรียกว่าศิละปะของชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องงดงามที่สุดจนเห็นแจ้งถ้าม่วงจากความมืดบอดของชีวิตเราทำไมจึงไปหลงไปทุกข์ไปโกรธไปโลภไปวิตกควลมโ ง, ง่เขลางเพราะเราไม่มีเราไม่ใช่สติ ก็เลยอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ความถูกต้องเราจะมาใช้มันเราก็ใช่ไปเลยนั้นรู้ใช่ตัวรู้เข้าไปวิธีใดที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาเราก็ใช่มันเรียกว่ากรรมฐานคือการกระทําคือที่ตั้งมันก็มีแบบตั้งแต่วันตัดสู่วันอุบัติขึ้นหูเจ้าพราะพุทธเจ้าทําอย่างนี้เราอยากรู้ชีวิตจิตใจของท่านผู้ใดเราก็ทําเหมือนท่านผู้นั้น เราอยากเป็นหมอก็ต้องเรียนเหมือนหมอเหมือนครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนเราเราอยากเป็นอะไรก็เรียนตามผู้ที่บอกที่สอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาจราเป็นบรมอครูเป็นอนุตรสัมมาสัมพุทธิญาณสามารถสอนคนทั้งเทวดามารผมมีผู้รู้ตามได้ไม่ใช่ว่าด้อยมาก่ายเหลืกินจนมาถึงพวกเรามาพิสูจน์กันดูวิธีพิสูจนานี้คือกรรมฐาน ที่ตั้งของการกระทาที่ตั้งแห่งการกทำตั้งไปที่ไหนเอากายเป็นธรรละเอาใจเป็นธรรลามีสติตั้งไว้ที่กายวิธีตั้งไวทไ้ทาไหนกายานุพสนนาสติมีสติเห็นกายอยู่เหนืองเนืองมันก็มีอยู่กายเนี่ยไม่ได้มโนภาพอะไรกายเราก็มีอะไรที่มันจะรู้อะไรที่มันใช่เกิดตัวรู้ได้ใช่มันเราจะมีรูปแบบการสร้างจัหวะ ปลุกขยโวทันเวลาวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งจังหวะที่เราสร้างสิบจห้าจังหวะลู่วินาทีและทุกวินาทีเราลู่เราลู่เนี่ยใหมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูวิสว์ดูวิทยาศาสตร์มันจะลู่ยิงไหมมันเห็นอะไรตัวลู่เนี่ยประจบกับอะไรประสบกับอะไรที่มันเกิดตัวลู่ขึ้นมาประสบกับการประกอบการทําให้มี ไม่ใช่ว่าสร้างทําให้มีขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่มันไม่มีตัวรู้มันก็มีตัวรู้ได้ในสิ่งที่มันมีตัวรู้เช่นความหลงความหล ง, ลงเพราะไม่มีสติมีสติก็ไม่มีความหลงสัมผัส ด, ดูพิสูจน์ดูความหลงมันใช่ได้ไหมความรู้มันใช่ได้ไหมมีคําถามใครไปวิทยาศาสตร์ไหมพิสูจน์มาด้วยตนวแดงไหมมันคือของจริงอ่ะแค่ว่าพิสูจน์แล้วเออตัวหลงมันใช่ไม่ได้ ไม่มีคําถามตัวรู้มันใช่ได้ไม่มีคําถามใครเป็นคนตอบเราเป็นคนตอบเพราะอะไรจึงตอบเพราะตอบจากการสัมผัสมันจึงเป็นปรบัดปรมัดคือความจริงที่พิสูจน์อย่างนี้แล้วมันอะไรที่มันเป็นความหลงหลายอย่างผานป่าดงความหลงไม่จึงเป็นความรู้ได้ไม่ใช่อยู่ๆจะมารู้เลยเหมือนเวลานี้พระอาทิตย์มีอยู่แต่ว่ามีที่บังไม่เห็นดวงอาทิตย์ มันยังไม่ผ่านโลกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงมาพิสูจน์กันง่ายง่ายอย่าคิดว่ามันยากการเจริญสติการมีสติเนี่ยไม่ใช่เอาอันนั้นไม่ใช่เอาผิดอันนี้ไม่ใช่เอาถูกไม่ใช่เอาสุขไม่ใช่เอาทุกข์มีสติมันเถิดสุขก็ไม่มีค่าทุกข์ก็ไม่มีค่าผิดก็ไม่มีค่าถูกก็ไม่มีค่าไม่ให้ค่ามันเลยการไม่ค่าคือว่าอย่างไง พระเจ้าสอนยังไงกายเราปัญนามีสติเห็นกายกายมีอะไรบ้างมันมีอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายทําให้เป็นตัวหลงได้มันเกิดพบเกิดชาติเกิดอาการของกายขึ้นมามันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันหนาวมันหิวมันก็หายมันโศกมันทุกข์เกิดจากกายก็เห็นเลยมีสติเห็นยังไงกายสภาวะกายไม่ใช่จัตุคคลตัวตนเราเขา ไม่ค่าอะไรที่เป็นเรื่องของกายมีแต่ตัวรู้มันจะมีค่าค่าเราไม่พอเราเราไม่พอยึดมัน่นสำคัญมั่นหมายเอากายมาเป็นพบเป็นชาติเกิดอาการต่างๆเกิดพอใจเกิดไม่พอใจเกิดสุขเกิดทุกข์พราะเรื่องของกายเกิดจิตเลตนานะเกิดการปองแต่งเกิดเรื่องของกายทั้งนั้นเราจึงมีสติดูมันไม่ให้ค่ากายจกว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขา เป็นทางไปนะเนี่ยเหยียบไปเหยียบไปตรงที่มันโล ก, ลกมันจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเหยียบมันลงไปให้เป็นรอยรอยแห่งความรู้สึกตัวเป็นรอยเอาไว้ตรงไหนที่มันลกเหมือนกับเรามาอยู่เนะี่ยเดินจม ก, กรมอันไหนที่มันไม่มีทางล้วเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปเอาไปมาก็เป็นทางกันมาแต่เดิมไม่มีทางเลยในชีวิตเ่าเหมือนดงดงอะไรดงแห่งความอวิชชา เอาวิชาเป็นป่าเป็นดงความหลงเรามีความหลงหรือมีความรู้มากตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้มาดูซิแล้วเราใช้ชีวิตอย่างไงเลือกได้ไหมเลือกได้เรามาเลือกใช้ชีวิตอย่างงดกามอย่างสง่า ง, งามเป็นสิทธิเสรีภาพปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความมืดบอดพ้นแล้วจากเมฆบอกมาเห็นความรู้มาดูวันนี้ อาเวลาใดเราเห็นกายกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพนมาแล้วมันพ่นทันทีมันเป็นมักทันทีมันเป็นผลทันทีเวลามันหลงเป็นเหตุเวลามันรู้เป็นผลเอาคมหลงว่าเป็นผลสร้างเป็นตัวรู้ได้อย่าไปเด้อเฮ้เสียใจเพราะกอหลงไปเอาผิดผิดแล้วไปเอาถูกเอาถูกแล้วไม่ใช่ยังไป ไ, ได้ยังเป็นคู่ยังมีรสมีรสชาติชีวิตที่มีรสชาติอยู่ในโลก พ้นจากโลกหรือว่าโลกกวิถูเหมือนพระเจ้าของเราผู้รู้แจ้งไม่หลงอยู่กับโลกจะได้เหนือการเกิดแจ่บเจ็บตายนี่เป็นทางไหมเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะมางมอะไรต่างๆไม่ชัดเจนเลอเกินเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนมาพิสูจน์มาแล้วว่ามาเหนือการเกิดแจ่บเจ็บตายเหนือทุกเป็นไปเพื่อความดับทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนนิพพาน พระพเจ้าเกิดสมาพร้อมพระธรในวันที่เป็นเดือนหพระจันทร์ดาวฤกเต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงทุกปีเราก็วิสาขากันาฉลองกันเถอะพวกเราอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของเราแท้ๆการตัดรูปรอุบัติขึ้นของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเราจึงกระตือรือ้นพากันมาทั้งพระสงฆ์อง์เจ้า อบาสุกบาจิกาสามเณรไม่ขีมารวมกันดูมาพิสูจนกันดูมารับรู้รับทราบกันเรื่องนี้ดูอยอดปล่อยป่าละเลยให้ใครคนใดคนดังจึงมาวิธีอื่นไม่ได้จะมอบไปกันบ้าเหมือนของฝากซับเจงเงินทองต้องเป็นของส่วนตัวต้องทําอย่างนี้ไม่มีวิธีใดต้องมาจุ่มเงามาต่อเอาเอากายเอาใจมาต่อเอา เเอาความรู้สึกตัวให้มันมีให้มันเกิดขึ้นอย่าให้ค่าอะไรใช่ไหนนอกจากตัวรู้เข้าไปฐานมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปเอาว่านอนมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงทำไมจึงมาทำอย่างนี้ไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมต้องปจัจจบต้องพบเห็นด้วยตนเองเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นคิดเห็นมันไกลอยู่การพบเห็นมันเดี๋ยวนี้ปัจจตัง คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตงังรู้ได้ด้วยตนเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หลอกไม่ใช่คิดเห็นพบเห็นการพบเห็นไม่มีคําถามเหมือนเรามาพบเห็นสุโกโตหอไตเป็นอย่างนี้แล้วมีคําถามใครไม้มหัวใจเป็นไงไม่มีคำถามเราตอบเองโอเป็นอย่างนี้หัวใจสลาไก่เป็นอย่างนี้สลาหน้าเป็นอย่างนี้สลาะจมหน้าเป็นอย่างนี้สํานักงานเป็นอย่างนี้ ตัวที่โจรก็ห้าร้อยไลเป็นอย่างนี้วันเหรียญสุ่กันโตเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่สามรอยปีเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่าไปลบกวนมันต้นไม้โบราณบางทีคนจะไปอากาศไปไหวเอาผ้าหลังไปหอ่อบางทีไปขูดหาเลขหาหวยก็มีบางคนนะเจงเขียนไว้ห้ามลบกวนต้นไม้โบราณถก็เห็นแล้วทําไมจึงบอกว่าต้นไม้โบราณสามรอยปีหลวงพ่อเกิดสามรอยปีเลยไม่ใช่ เคไปดูต้นไม้สามรอยปีที่ประเทศอินเดียเมืองแคทเนียกับจันทงศิลเอาประกาศว่าต้นไม้สามรอปีมีประวัติป่าตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วไปดูแล้วก็ไม่ต้นไม่โตเท่าไหร่ไม่โตเท่าต้นนี้เลยแล้วไม้ของเขาเป็นไม้อวบๆก็อาจจะไม่สร้างสรรค์มานานเหมือนประดูตอนนี้เอาบอกจันทงศิลปว่าควรเทียบประกาศได้ว่าต้นไม้ตอนนี้สามรอยปีคงไม่ผิด ไม่ใช่เราเกิดสามรอยปีมาเป็นขัวมอมหมาเราก็เปรียบเทียบให้มีบ้างนะประเทศถ้าเราจะมีเต็บเทศอินเดียถ้าไม่มีที่อื่นก็อยู่ตรงในร้ายที่อยู่มหาวันก็มีห้าต้นไม300้สามรอยปีอันนั่นเป็นต้นตะเคียนทองอันนี้เป็นต้นประดู่อันนี้ก็พูดอก็เห็นแล้วว่าจุกโตเป็นอย่างนี้เราเจิงที่สอนที่บอกก็เป็นอย่างนี้ ก็ น, นั่งอยู่นี้พูดอยู่นี้มีตัวมีตนที่พูดเป็นสื่อภาษาไทยเหมือนกันนะแล้วจะอ้ออะไรอีกสิ่งที่พูดอยู่นี้มีกับเราทุกคนเรารู้มีไหมตัวรู้เอามาวางไว้วันเขาพลิกมื่อขึ้นรู้ไหมใครเป็นคนรู้หลงตาเป็นคนรู้หรือไม่ใช่ใครเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้ท่านเป็นผู้หญิงท่านรู้ไหนได้ไหมท่านเป็นผู้ชายท่านรู้ได้ไหมก็รู้ได้ ท่านเป็นนักบวชท่านรู้ได้ไหมก็รู้ได้ท่านไม่ใช่เป็นนักบวชท่านรู้ไหมก็รู้ได้ท่านศึกษาศาสนาอะไรเป็นชาติใดภาษาใดนุ่งผ้าสีใดรู้ได้ไหมรู้ได้ไม่ใช่เราเป็นชิดเป็นพุทธเป็นอิสลามไม่ใช่เราเป็นคนหนุ่มคนสาวไม่ใช่เราเป็นคนแจกอะไรต่างๆมันไม่มีเลยไม่ตัวรู้ตัวเดียวไม่มีความหนุ่มไม่มีความแจกไม่มีแม้ทั้งความเจ็บความปวดเอาเลยทีเดียว อ๋อมันจากว่ากายมันจากว่าเวทนามันเจ็บมันปวดหรือมันร้อนมันหนาวหรืออ้าวจักว่าเวทนาความสุขความทุกข์ก็สักว่าเวทนามันเป็นาการของงัดไม่ใช่เราเราเนี่ไปตู่เอาเวทนาคือเราไปพ้นไปจี้ไปซื้อที่ยังมาไม่ใช่เสียเปรียบนานแล้วเห็นเวทนาสัก <aunque> ว่าเวทนามีไหมในตัวเราเนี่ยเวทนาเป็นภาษาบาลีภาษาอินเดีย ถ้าว่าปลาสาบานเราก็สุขทุกข์นั่นแหละชอบความสุขไม่ชอบความทุกข์เวทนามีบวกมีลบอันหนึ่งชอบอันหนึ่งไม่ชอบเรียกว่าลดของโลกรู้แล้วมันก็จืดไม่ให้ค่ามันรู้แล้วแค่นั้นเองง่ายๆถ้าไปชอบมันยากไปหน่อยถ้าไม่ชอบก็ยากไปอีกไปแบบนั้นอันชอบอันไม่ชอบไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมคือไม่เป็นไรกับมัน ไม่เป็นไรไม่มีไม่เปลี่ยนอะไรทําไมจึงไม่มีไม่เปลี่ยนเพราะมันเห็นแล้วไม่น่าเปลี่ยนมันเปจนกุขก็เห็นแล้วเป็นทุกข์ก็เห็นแล้วไม่มีใครไม่เห็นสุขไม่มีใครไม่เห็นทุกข์แต่ว่าสุขทุกข์สมมติเอาไม่ใช่ปรมัติเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมัติสัจจะหลวงบัญญัติเนี่ยไม่เป็นธรรมบางคนชอบยิ่งเล่ามอยาเพาะเขาชอบสมมติบัญญัติว่าชอบแต่บางคนไม่เอายิ่งเล่ามอยาไม่ใช <as Problem> ่เรามาชอบเพราะบัญญัติ <scene> <c oughs> อันชอบไม่ชอบเราวันหยาตัว เ, เองแล้วก็รู้ว่าเออรู้แล้วรู้เลยเป็นกลางไม่เป็นส่วนไหนไม่บวกไว้ลบคําว่ารู้เนี่ยเป็นมรรคที่สุดแล้วสุดยอดขององค์มรรคผ่านในตลอดเจ้านจะเป็นดงเป็นป่าติดเปื้อนเลยบาก็ตามนิสยัยยังไงมาก็ตามจะเป็นละทิแบบไหนมาก็ตามจะเป็นมณะใดมาก็ตามถ้ารู้อย่างเดียวเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันทุกคน ถ้าเรานั่งอยู่นี่มีความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเรานั่งอยู่นี่มีความหลงคิดไปต่างมาก็เป็นคนหลายคนเพราะโรู้เนี่ยเป็นทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวเอตัะคะหนึ่งเดียวเราบางเอาเถอะมามีตัวนี้กันเถอะพวกเราถ้ามีตัวนี้แล้วมันเป็นครบวงจรของการใช้ชีวิตครบวงจรหมดเลยเหมาะแก่การงานเหมาะแก่หน้าที่เหมาะแก่ความเป็นมนุษย์ พัฒนาขึ้นไปจนถึงพระเอเลียบุคคลตัวลู่ตัวเนี่ยที่สุดเลยทีเดียวจังผู้เจ้าเป็นพระอรหันต์นิพพานแต่อายุ36จนไปถึงอายุ80ดสิปีจังทําประโยชน์อันมากมากมายกวัวคนที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสร้างสรรค์ประโยชน์เยอะแยะเลยช่วยมนุษย์เทวดามนุษย์ทั้งหลายช่วยแม่แต่องค์เดรบานจับเม็ดจับดาบไล่พันก็ยังคิดช่วยไม่ได้โกรธเลยเป็นยอดนักลัก ที่สุดเลยมีใครบ้างที่เขาจับดาบไล่ฟันเนี่ยยังคิดช่วยเขามีแต่จะเจาสู้กันจนช่วยองค์ที่บานได้เอนั้นเดียเราจึงมามีศาสตราที่สมูลแบบที่สุดเลยที่สุดมาไม่ตัดออกไปได้คาสอนของบัพทธศนาของเราจะเปลี่ยนจะเพิ่มก็ไมได้ว่าทาดีก็ดีทดันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีนี่คือของจริง เราจึงไม่ควรจะให้บันพาดไปชีวิตของเราวันคืนมันก็ผ่านไปเกิดเจ็เจ็บตายไปเรื่อยๆไปแต่ไม่เจเริญตัวรู้ตัวแน่มันก็ไม่ส ม, มนลแบบแล้วก็มีปัญหากับชีวิตเราการเกิดการเจกการเจ็บนรรดา เ, เป็นทุกข์เราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วทำเช่ไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งเช่นนี้จะเบงปรากฏชัเจเราได้ อุทิศอาหารต่างทำแบบพระพุทธเจ้าทำชฉไหนกันทัาที่สุดแห่งกองทุกเนี่ยจึงจะมีแจกาะเจ้าจึงทำอุทิศอาันตะสัมมาสัมพุทโ ธ, ธทำแบบพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนไงไม่ต้องไปหามีแล้วรู้จักตัวเข้าไปพี่เห็นกายเห็นใจเอาอกายเอาใจมาเปา็นดําลาหน้าไปจบตรงนี้จ้าแย่นี้กายมีปัญหาใจมีปัญหาไม่จบเลย ปัญหาในตัวเราแล้วไม่พอปัญหาเกิดจากคนอื่นเชิงวัตถุอื่นมากมายถ้าปัญหาเกิดที่ทใจแล้วเหตุมันอยู่ตรงนี้ถ้าทุกคนมานับหนึ่งจากเราเนี้ยมาเปลี่ยนตรงนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวรู้ไปเลยตั้งต้นจากตรงนี้ไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ข้อบังคับมันเป็นเกิดจากการกระทําของเราแท้ๆมันจะจำแนกเองกรรมาฐานมันจำแนกไป ไม่ใช่คิดเหตุผลอะไรต่างๆอย่าหอบเหตุผลมากท่านจะศึกษาจบมาขนาดไหนก็ไม่ใช่เอาเหตุผลที่เกิดจากความคิดเหตุผลต่างๆเอาการกระทำํำทำอย่างนี้มันเห็อนอย่างนี้ะทําอย่างนี้มันไม่มีอย่างนี้เรียกว่าธรรมะผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมปปะว่าผู้ไดเห็นปฏิจจสมปาทผู้นั้นเห็นธรรมทำขึำ้นเป็นอย่างนี้ เพราะมีตัวรูมันจึงไม่หลงเพราะมีหลงมันจึงไม่รู้ทําไมจึงมีตัวรูได้ก็ประกอบความรู้ขึ้นมาในวลามันหลงถ้ามันไม่หลงก็รู้ไว้จะไปทําอะไรละ่ะนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ยืนอยู่ทุกอริบุตเลยเหมาะแจกการประกอบความรู้ขึ้นมากายของเราใจของเราเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สร้างตัวรูอาสร้างตัวหลงมันยากต้อง ลำดับลำดำฉันเขาว่าให้เราเราโกรธพอใจที่จะโกรธทําไมจึงทำอย่างนั้นทําไมจึงทำอย่างนี้มันมีเหตุมีผลจนการเกิดการเข่นข่าทะเลาะว่ า, า, วากันอันรู้ตัวนี้ไม่ใช่ไปถึงโน้นรู้แล้วแค่นั้นเองเหมือนลัดที่บึงอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็หลุดไปรู้แล้วรู้แล้วเหมือนอัญญากรทเจวังเทศกันแรกของพระเจ้า ก็รู้แล้วรู้แล้วพระโพธิวงค์แสดงไปอะไรอย่างเราสวดอนตะละคณสูตรสวนสัมวัดจังลูกไม่เที่ยงโูบังอานิจังอนุาสาชนีพระหุลาพระวัตรติเป็นไวเพื่อสวกส่วนทั้งหลายส่วนมากโูบังอานิจจังลูกไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาไม้เที่ยงพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงผู้แสดงแต่โกนัญญาฝังเอาสิ่งที่แสดงเป็นกาษามาทำ ในกายในใจตัวเองรู้แล้วเห็นด้วยจิจใ่ใจตามเห็นด้วยรูปไม่เที่ยงโอ้เห็นด้วยเป็นาไม่เที่ยงเห็นด้วยสัญญาไม่เที่ยงเห็นด้วยสังขารไม่เที่ยงเห็นด้วยวิญญาณไม่เที่ยงรูปปางกระดิจังรูปไม่ใช่ตัวตนเป็นจ so so really. yeah. ักว Re ่ากายเป็นนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วมีไหมสิ่งเหล่านี้กับเรารูปคืออะไรรูปคือกาย กายคืออะไรคือธาตุสี่ขันธ์ห้ามันสามารถรู้อะไรได้หรือว่าวิญญาณธาตุมันมาให้เรารู้มันมีให้เราประกอบสร้างมรรคผลไม่ใช่มีให้เราไปทําของชั่วมีรูปมีนามมีกายมีใจนะมีสําหรับให้เราสร้างมรรคสร้างผลจนรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอวังพัมบุลลาเอวังเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนนี้สาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้ ยังได้เป็นสาวกตัดทลูตามพระพุทธเจ้ามาลู่เรื่องนี้กันเรานี่ก็เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วพ้อมแล้วมาลู่เรื่องนี้เข้าอย่าไปเปิดไปเพื่อนกับอย่างอื่นอย่ามีร่องรอยกับเ อ, อื่นแม้มีร่องรอยก็กลับมาได้มาทํากรรมมาล่างบาปมาล่างอากุศลถ้ารู้มันก็ล่างแล้วทําบุญแล้วถ้ารู้มันก็รักความชั่วแล้วถ้ารู้มันก็ทําความดีแล้ว ถ้ารู้ตัวนี้จิตก็บริสุทธิ์แล้วทั้งหมดเลยปฏิโมกยอ่อคำสอนยอ่ยอๆละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เท่านี้คำสอนพระพุทธเจา้าทำไงจะละความชั่วก็วดีแล้วรู้สึกตัวนี่แหละรู้แล้วรู้แล้วเนะ่ยไม่ไปกับมันมีตัวรู้ตัวรู้ที่ใดก็รู้สึกตัวที่ใดมันอะไรมันมีไปมันหมดไปแต่เป็นความมืดเขาความมืดหมดไปเพราะตัวรู้มันจจกจะว่าง ความหลงเหมือนความมืดก็หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปเอาไปเอามาเนี่หนึ่งวันก็รู้สองวันก็รู้สามวันก็รู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาพิสูจน์ดูไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องไปเชื่อหลวงตาไม่ต้องไปเชื่อใครบุคคลนั่นพูดมีเหตุมีผลบุคคลนั้นทุกคนเชื่อถูกกับแบบจิตนิสัยของเราอย่ามาอยู่แช่นั้นต้องมาประกอบต้องมาทมําเหมือนยาโยงที่มา จากวันโมกเมื่อวานนี้จะไม่ได้อยู่เอาปัจจัยมาถวายโอ๊ยไม่เอาลงปัจจัยเอาคนน่ะเอาคนนั้นน่ะมาจุ่มมาต่อเอากรงลู่เนี้ยไม่ต้องเอาปัจจัยเอามาให้เอารับไปก่อนไม่รับปัจจัยไม่รับเอาคนน่ะอยู่ปฏิบัตินี้รู้จัก็เอาให้คนหมูเอาปัจจัยให้คนหมูไปเข้าลงทานเอาก็ดี จะมาถวายร้องตายไม่เอาจากใต้คนนะ่ช่วงสี่สิบวันนี้แน่เราอใจที่เห็นพวกเรามานั่งอยู่ที่นี่ทั้งว่าสององเจ้าชื่อใหญ่เป็นครั้งเดียวเท่านี้สุกโตนะตั้งมาแล้วสามสิบสี่สิบปีเพิ่งมีครางนี้ต่อเ น, นี้อว่าจะไม่มีใครมาวางเ่นกับพระที่นี้ถ้าสุกโตไม่มีคนมาทำาไงพวกเรา มันอยู่ไกลเกินชนบทมาก็ลําบากแล้วก็ใครมาที่นี่ก็อาจจะเข็ดหลาบได้ถ้าไม่มีใครมาจุกโตทํำยังไงก็พูดกับุหมอประสาทึ้นหมอุนทลีลงประวานชัยภูมิว่าถ้าไม่มีใครมาจุกโตจะไปอยู่ห้องพระติกสงพอไปเห็นที่นั่นว่างๆอยู่ไม่มีคนพักก็ขอพักสองคืนสามคืน จะไปอยู่ไปดูคนป่วยไปยืนแสดงธรรมคนป่วยนอนอยู่นเตียงเขาคงหนีจากเราไม่ได้เพราะเขาป่วยคนดีเขาไม่มาหาเราเขาเข้าโงหนังโรงคอนก็เบรกซี่โรตัสไปโ น, น่นแต่คนป่วยมันนอนอยู่ไปยืนพูดคำสองคาเพราะอะไรเราจึงกล้าไปเป็นเพื่อนคนป่วยเพราะเราเคยป่วยเคยตายมาเราลู่กันระหว่างคนป่วยเหมือนกันไปพูดกันคงรู้จัก ก็ขออาญาติุหมอชนสรีคุณหมอประจักรคหมอประจัก์เออดีดีก็เลยมีครงการห้านาทีทองก่อนะจขาดเราจะไปดูแลคนป่วยแล้วไปทำมาแล้วอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่บอตตันโรงปยวัาลบอดตันไปดูคนป่วยไปสอนคนป่วยถ้าเราก็เป็นชาวพุทธก็พุทธังสันลังกะชามิข้าพเจ้า ชนะอื่นของข้าพเจ้าไม่ม hmm. ีพระพุทธเจ้าเป็นชนะอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสนะนี่แล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกทั้งปวงได้ทำบังสนังกระชัยไหมชนะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสชนะอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสนะนี่แล้วจึงพ้นจากทุกทั้งปวงได้เอาไปสวดไปยืนพูดคนหมอคนพยาบาลไปยืนพูดอยู่ข้างเตียง สามคนสี่คนห้าคนปรากฏว่าใช่บ้างแล้วหลนตาไปสวดอยู่ที่สลรัตมาหาวิไลวัฒน์น่ะก็ไปสวดแบบภาษามหายานอามิโตโผอมิโตโูอมิโตโผ <c oughs> ออก็สวดไปกับเขาก็ยืนสวดกับว่าจบบรยกาไปร่วมกับคนป่วยก็นอนฟังปะนมมือขึ้นนะได้ยินอมุพแต่ผู้ อภิเพุทธผู้ใดตายขณะที่ได้ยินอภิเพุทธในหูผู้นั่นจะไม่ตกนรกเรียกว่าห้าในทีทองก่อนใจขาดเอองานเราก็มีคงไม่อยู่เฉยๆชวนพระที่นี่ไปโรงพระบาลต่างๆร่อนแกนบ้างบุริลัมบ้างคนหมอมาริจิตให้ไปไหมราั้นเนี่ยเราไม่อดนะถ้าไม่มีคนเข้าวัดนานะคิดอย่างนั้น เราชิดแต่ช่วยแต่คนอื่นแต่เราไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีมีคนซื้อรถให้บนทวีตอนนอนป่วยโรงพยาบาลเอารถมาให้ขันหนึ่งเอาไว้ล้องตาไม่เอาดอกล้องตาคงไม่รอดแล้วคงตาอยู่แล้วเอาลับไวเ้เถอะตั้งสามีปัญญาตั้งใจมาแล้วหมดครอบครัวแล้วมาหม้อไปล่องตาสองคันคันหนึ่งเป็นรถเข็น สลับเดินไม่ได้อันนี้เป็นรถนิวเซเว่อย่างดีผมซื้อมาร้านกว่าบานโอ้ยไม่เอาไม่เอ า, ม, เอามีรถอาจารย์ตุ้มอิูแล้วเอาเถอะเอาเถอะก็เลยรับไปเอาไม่เอาหลังมันจะตายอยู่แล้วไม่ให้ตายไม่ให้ตายเขาว่าอตรงนี้เออคนที่ไม่อยากให้เราตายก็มีเออเนี่ย เ, เลยพยายามทอพาชื่อต่อมาโอ้ยอยากได้เกินนะอันตายมันจะเบื่อใครว่าคนเจ็บเป็นทุกข์หรอไม่เห็นทุกข์ต้นไหน ว่าควาจะตายเป็นทุกข์อ่ะไม่ทุกข์ตรงไหนเลยมันสนุกไปเลยนอยโรงพยาบาลเกือบปีนี้คนไปเยี่ยมอ่ะมีพูดอยู่เว่าสนุกป่วยสนุกป่วยสนุกจริงๆยงการป่วยกันเจ็บไหนะโรคมะเร็งก็เนื้อตับปอนโตปวดเอ้ามะเร็งเอ้ยเป็นเพื่อ น, นกันกับตับปอนท่านละเราไม่หลังเกียดอยู่ด้วยกันไปแต่เราไม่เป็นกับท่านนะเราจะอยู่ของเราเองมันปวดท้อง หมองพยายามมาถามมาปวดมากไหมก็ปวดมากกี่เปอร์เซนต์อะไรเป็นเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เไหมเกินร้อยทาไมหลงตานอนอยู่นี่อ้าไปแสดงกันร่วมกับบรรทมายมันปวดก็เป็นอาการหนึ่งชีวิตเราไม่ได้ปวดกับมันเห็นมันเนี่ยใช่ไหมเราเห็นไหมหรือเราเป็นเป็นสุขหรือเห็นมันสุขเป็นทุกข์หรือเห็นมันทุกข์เป็นผู้โกรธหรืเห็นมันโกรธเป็นผู้ร้อนหรือเห็นมันร้อน เป็นผู้หนาวเลเนมันหนาวเป็นผู้หิวเลเนมันหิวเราจึงมาดูมันอย่าให้ฆ่ามันเริ่มซะออกมาซะอย่าอยู่กับมันในโลกนี้ถ้าดึงแขนออกมาได้จะดึงสก่ซ่ากออกมาเลยมันดึงไม่ได้ต้องออกกเองวิธีออกทําไงล่ะมาดูมันอย่าเข้าไปเป็นกับมันมีคนมาปฏิบัติธรรมดูได้บูดได้บึง้งเวลาทําความเพียรอา้าวลอยถามเป็นไงหนู โอ้ยวันนี้ไม่ไวหวเครียดง่วงนอนหลวงตาก็ยิ้มเอากรรมฐ า, านนักกรรมฐ า, านเขาไปพูดอย่างนั้นพูดใหม่ไม่เอาไปพูดอย่างไงวะมันเครียดจริงๆเนะี่ยมันคิดมากหน้าโกรถ้าบึา่งเอา้าหลวงตาบอกให้ดูมันเห็นนั่นไหมการเครียดเห็นมันง่วงเห็นมันไหมก็มมบอกให้ดูเนี่ยอย่าเข้าไปเป็นอนะ่ะใช่ไหมก็หน้าตาค่อยหย่อนกันบ้างเออ ตอบไหมจะตอบเป็นไงล่ะหลองตาอ้าวเป็นไงวันนี้ตอบไงหนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้ที่กรามาฐานเขาตอบแบบนี้ว่าว่าตอบว่าหนูเห็นมันเครียดรอยยิ้มขึ้นมาแล้วใช่ไหมเป็นผู้เครียดเดิยนมันเครียดเป็นผู้หลงเรีนมันหลงเป็นผู้สุกขเลียมันทุกข์บอกแล้วให้ดูมันอย่าให้ฆ่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ฆ่าเลยเกินในโลกเนี่ยความสุข ก, ก็ม่ฆ่าความทุกข์ก็ม่ฆ่า ความโกรธก็ไม่ค่าความหลงของโลกไม่ค่าความรักความจังไม่ค่ามันจึงมีปัญหาใจตัวอย่างไรคนเื่นถ้าเราไม่ค่ามันเม่อไหร่มีสติคนคนเดียวกันมิตรภาพพระศีอนุใบไตเกิดตรงนี้ศาสตราที่สูงสุดคือศีลอเบตไตลาบไปเลยชีวิตของเราลาบไปเลยหนะ่อยทไมอ่ะเราจรึงจะพบจริงเหล่านี้จะเป็นสมบัติของเราอุบัติขึ้นจากเราต้องมาประกอบบารลุมัน มาเห็นมันมาเห็นมันทุกคนทำได้พุทธเจ้าสอนในสิ่งที่ทุกคนทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการตอนเช้าตอนเช็นตอนสายตอนไหวรู้ได้ทันทีไม่มีเวลาอากาลิกิตรำเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไปเชื่อใครเลยอาจายยังไงพวกเราแต่ว่าอย่ามาเชื่อเราให้ทาเอาจึงมีจิตกรรมอย่างนี้ขึ้นมาไม่มีวิธีใดแล้ว ขึ้นไ ป, ไป้ายไปบอกเมื่อวานในบอกเอาไว้ก่อนเนีบอกอาจารย์จงศินปว่าเอาแบบพระเจ้าเป็นไงตอนที่พระเจ้าไปอยู่ป่าอิสิปตนะบืคตขายวันโปรดปัญจาพชีตอนด้านพยาสะกุบุตรลูกชายเจตีประมาณนี้ล่องออกไปที่นี่วุ่นวายเหลือเกินที่นี่ทุกหนทุกหนอหน อ, ออกจากปราณีไปป่าอิสิพระเจ้าจงกรมอยู่ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่ได้ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดมาที่นี่เถิญดญาติจากคนบวชได้ยินเฉียงก็ตามก็ไปอะไรนะเนาะเสียงอะไรเลยโถดลองเท้าตามฝั่งเห็นพวกเจ้าเทศนาอบรมปัญจพีอยู่เข้าไปฟังอยากจะเขียนไว้ที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดเรามีที่อยู่มีข้าวกินตามทุกผลเจตนาแต่ว่าเขียนไว้เพียงแต่ว่าสถาบันสติปัฐานจากนักลงสินเขียนไว้ ขาดเป็นสถาบันเพราะชีวิตเราเป็นสาบันมีความพร้อมที่จุดกายก็มีใจก็มีเวทนาอะไรที่เราจิกรสาวให้มันจบตรงนี้กันอย่าไปจบแต่ศาสตร์อื่นเศรษฐศาสาตร์รัฐศาสาตร์วิทยาศาสตร์จบศาสตร์ตรงนี้บ้างกายเนี่ยมีเวทนามีสัญญาสังขารมีญาณจบตรงนี้ดูคาดเช่นแล้วผมว่าจันยู่จบแล้วยีดอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วนี่พระพุทธเจ้าอุทานออกมาในวันตัดจะรู้ เมื่อวันที่สิบเก้าชาติของเราสิ้นแล้วควมหยจันท์ของเราอยู่จบแล้วกิจอื่นที่เราจะทําไม่มีอีกแล้วลองดูสิอู้สึกเป็นไงชีวิตเราจะเป็นยังไงถือว่าสําเร็จที่ถุดเลยชีวิตเราถึงจุนไม้ปลายตาแล้วก็อยู่กับครอบกับครัว อ, อยู่กับเพื่อนกับงานถามานช่วยกันตรงนี้ควรที่จะประกาศแล้วมันสองพห้าร้อยห้าสิบเอ็ดพรรษาตั้งแต่ปารีสผ่านมาก่อนปาีสผ่านอีก 45, 40, สี่สิบห้าสี่สิบปันศานับรวมกันยาวเหลือเกินนานเหลือเกินเมื่ อ, อไรเราจะรู้เรืงนี้กันนะไปโกรธไปอิจฉาไปเบียดเบียนไปอิจฉากันนําใหม่เหมือนภาคใต้สามจัวัดเขีนข่ากันนะไม่สมควรอย่างนี้พวกเราจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามขันอยู่ตรงนี้นะจะบอกให้อย่าไปให้ข่ามันท่านทั้งหลายปวดเมื่อยเห็นมันจะให้ข่าความเปิดกวามไม่ลำบากก็เห็นมันเอียนหนึ่งวันนี้ถือว่าในเทศจักหน่อย อย่าไล่เวลาลุงตาขั้นอยู่ในป่าเนี่ยเราถนอมด้วยถ้าจะตัดต้นไม้ไผ่เขาตัดได้แต่ว่าลูกต้นใดต้นไหนที่มันแก่รอดโก้ไม้ที่มันแก่ถ้าตัดได้แต่ว่าต้องเก็บให้ดีต้นไหนที่มันอ่อนมันมีผิวอ่อนเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวอย่าไปฆ่าอย่าไปตัดเขามันจะมักอยู่ตามขอบขึ้นห่างๆเราก็มาง่ายไปตัดไม่ดีนะ ให้เป็นไม้เป็นต้นไม้ที่เบญจพรรณสามารถสร้างสรรค์ต่อไปถ้าเราบปดตัดต้นไม้อ่อนหรือไว้ต้นไม้แก่เหมือนคนเราเนี่ยข่าคนหนุ่มตายหมดเหลือแต่คนแก่มันก็ไม่สร้างสรรค์แล้วหมดแล้วเพรานนั้ถ้าจะตัดได้ถ้าจัดบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่ารบกวนมันการอยู่ในป่านี่อย่าไปขุดดินอย่าเห็นรอยจบรอยเฉียมไม่อยากเห็นรอยจอบรอยเฉียมเราลักแผ่นดิน เราลักประเทศชาติเราลักธรรมชาติที่โุดอยู่ที่นี่แม่เห็นลอยน้ำไหลก็ไม่อยากเห็นนล้ถ้าน้ามันไหลไม่มีกักขังไม่ดูดจมแล้วไม่จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะไปท่วมไร่ท่อมนาเขาไม่อยากเห็นน้ำไหลอย่าไปขุดคลองให้น้ำไหลเด็ดขาดอย่าไปทํารอยจอบรอยเฉียมบนแผ่นดินนี้ที่อื่นเราห้ามอะไรขอห้ามที่นี่นะตอนไม่ตอนใดที่ไม่ควรจะไปตัดนั่งก็อย่าไปตัดต่าง ลอยจอบเราเฉียงเอาเสือที่ปูที่นอนที่นี่มีราคาแพงมากก็อย่าไปใื้ออชิชชลุ่ยชิล้อยเราเป็นคนจนไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนวันของท่านถ้าจะปูเสือบนแผ่นดินล่ะเดี๋ยววันนี้อาจันย์น์ะนดลองเจ้าวาดัดไปซื้อเสล็มมาปู พ, พื้นดิน่ะแล้วก็ปูเสือลงไปแล้วเสล็มนี่มันดีนะถ้าพื้นใหญ่หน่อยนะตะขับเข้าม า, มาไม่แม่กล้าเอาไว้หลางตาเดินจอกกองอยู่เอาไปราเห็นโคงนะ้งไหะ เอาจะแหลมปูแล้วตะขาบมันตัวใหญ่วิ่งมาพอมาเจอจะแห ม, มันหลบหนีไปอวิ่งมาอีกพอเจอจะแหลมมันหลบหนีไปอ้าวจะแหลมก็ดีนะจีเขียวๆนะแต่เอาจีดำนะจีดํามันไม่กลัวจีเขียวมันกลัวอาปูให้นอนอยู่ไปเถอะฮัลโกลดีงูนอนด้วยก็ได้อย่าไปรังเกียจมันเวลาลุกนอนหรืออยู่ที่ในป่าต้องอ่อนนุ่มจังนอนอย่าลุกนี่ลุกลนเวลาบางที ฝนตกตลอดคืนงวงวอนดน่วยอย่าท so ําให้ตกใจเคยมีงวงนอนด้วยที่เนี่ยอ้าวไอาเจ้างวงเอ้ยนอนด้วยกันน่ะอฝนตกตลอดคืนนะเอาเอือเอือดอยู่ข้างมุ้งนี่ยมาอะไรนาะเอามือคําดูคําดูเห็นหัวมันขดอยู่เห็นตัวใหญ่นะเออไอ้เจ้างวงไอ้เจ้าหนาวเนี่ยแต่เนาะควาจะหนาวนาะฝนตกนาะอ๋ออยู่ด้วยกันเหรอนอนด้วยกันเนี่ยเอาแขนเตะผาดูอืดเอือดมันใส่ฝนอยู่นอกมุ้งนะ เราไปกลัวตก อ, อกตกใจเป็นเพื่อนกับมูใช่ไหมไปว่ากลัวกันตัวจันอย่าไปกลัวขวงกลัวไปทุกนะตามใจสบายสบายเขาทําให้กลัวก็จะไปกลัวเลยสบายสบายเอามดมันกัดเลยมดกัดก็ลักหมด่อยเจ้าหมดเด๋ยพูดกัหมดตัวเจ้าก็เล็กนิดเดียวหนออเอาเรานี่กะถ้าจะฆ่าเจ้าเราฆ่าไปตายเป็นหมื่นหมื่นพันพั น, พ น, พ น, พ น, พนเราไม่ฆ่าเจ้านะ แล้วนี้เราจะนอนในบรรยากาศกรรมดาพูดกับมดลองดูทําใจดีๆบางทีมดอาจจะลู่เรื่องกันอย่างอย่านว่าเทศพูดกับงูจงอางใหญ่มันตามไปจะขึ้นกติงูเหลือมใหญ่งูจ ง, งาอางเอ้ามาทําไมล่ะอา่ามาทําไมมาจงเราถึงกติเหลือมันตามไปกะติชูนคอกันเอามาทําไมไปกลับไปกลับไปได้หลวงพ่องวนงูจงอางไปชูค อ, ข, อขึ้นมาเอามาที่ทําไมล่ะที่ของหลวงพ่ออยู่นะ ไปทั้งเกินปบางทีพวกกันได้เสือเจอเจอเ ส, ส, สือทังไงอ้าวมันนั่งเฝ้ากันทำไมอดีขอบคุณนอก็นอนอยู่กันทั้งอยู่เสืออย่าว่ามันทำอะไรทำใจทำใจอ ย, อยู่ป่าอย่าโลดดี์โลหลนสงบเยียมสักน่อยไม่แมตตากูนาไว้ในใจเสมออย่าเอาชอบเอะไรอวยชอบเห็นว่าแฟแมงก็ชิดโกรธขึ้นมา รู้จึกตัวรู้จึกตัวทุกวิถีทางอะไรที่มันจะรู้ใช่เท่านั้นหละความหลงมากจะจักมากมาเลยเกินให้มันพ้นจากป่าอาวิชชาความหลงในให้ได้มีความรู้ไม่ต้องออกเดีอยวแดงเสื้อเงือกเสือไข่เลยตัวรู้มันจะเป็นยิ้มยิ้มนะไม่ใช่เป็นอะไรยิ้มยิ้ ม, มตัวรู้นี่ใกล้า่าง